ต่อไปนะครับบอกว่านิพานนี่นะครับก็เป็นที่กำจัดความระหายใช่ว่าความระหายทั้งหมดนะครับมีความระหายในกามเป็นต้นนะครับระหายในกามระหายในรูปนะหรือพูดในหนึ่งก็คือมันแสหารูปนะแสหาการแสงแสหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาโพธภะนะครับหรือระหายในกายนะครับระหายในใครจะเป็นโน่นเป็นนี่เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะถูกนาออกไป ถ้าแทงตลอดพระนิพพานนั่นนะครับเพราะไอ้ความระหายเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วนะครับก็ น, นึกถึงระหายน้ํานะครับนึกอยากไปเรื่อยนะคงมีน้ํามีโน่นมีนี่มั้งจะได้ดื่มได้กินให้เต็มอิ่มเลยนะแต่นี้ก็เหมือนกันนะครับความระหายเหล่านั้นจะหมดไปถ้าทําให้แจ้งพระนิพพานถึงความอาลัยทั้งมวลเช่นอาลัยในกาลนะครับก็จะถูกถอนขึ้นนะครับ หรือแม้กระทั่งว่ากรรมวัดกิเลสวัดวิปากวัดทั้งผองก็จะถูกตัดขาดนะครับวัตาทั้งหมดนี้ก็จะจหมดสิ้นจบสิ้นกันเสียที น, นะครับก็จบสิ้นกันทีเนาะชีวิตนะครับนั่นนะมันจะได้ไม่ต้องไปอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ม, มีเลิกมีรามีจบมีสิ้นนะครับเดี๋ยวก็นั่งรถไปแล้วเนาะไม่ว่าสุรินเอออะไรเออก็ไปนะพี่จาะนะไม่ไว้เลยทีรถเข้าไม่ให้ไปก็เดินบัง่งอะไรบั่งนะไปอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะเลิกไปสักทีหนึ่งนะ ว่าถ้าจะเลิกไปก็ต้องทําให้แจ้งพระนิพพานน่นแหละนะครับนี่ปกติมันต้องไปเดินตากแดดกันนะเนาะใบบานเนี่ยโอ้ยเหยียบลาดยางนี่สุดยอดเลยนะผิวหนังมันแทบสุกเลยนะครับแหมไปอย่างงั้นเนี่ยนะน่าจะเบื่อได้แล้วเนาะพอแล้วนะครับพอเพียงพอที่น่าเบื่อนายแล้วอย่างั้นแล้วก็ยางฟังแนวทางไว้ก่อน ก, นก็อย่างนี้เห่างนัน ตันหาทั้งปวงนะครับที่แยกออกเป็นร้อยแปดอย่างก็จะสิ้นไปนะตันหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธาพะในธรรมารมณ์เนี่ยนะครับจะเป็นกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหานะครับแล้วก็ในอารมณ์เป็นภายในในอารมณ์เป็นภายนอกนะครับทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันในตันหาร้อยปดเหล่านั้นก็จะเสื่อมสิ้นไปสลายไปหมดเลยถ้าทําให้แจ้งพระนิพพาน กิเลสทั้งหมดนะครับจะสํารอดออกหมดเลยนะครับจะอาเจียนออกมาให้หมดเลยนะครับขับถ่ายพ่นออกมาไม่มีเหลือเลยนะครับอนุญาตนะครับนะกิเลสทั้งหมดก็จะสํารอดออกหมดนะครับทุกย่อมจะดับไปสิ้นนะครับเพราะมาถึงนิพพานนั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ามะทนิมมะทนโนนะครับเป็นที่สางเมานะครับนะว่า เป็นที่สรางแห่งความเมานำเสียซึ่งความระหายถอนด้วยดีซึ่งอะไรตัดซึ่งวัตตะสิ้นไปแห่งตันหาสิ้นความกำหนัดแล้วก็นิโรธแล้วก็เป็นนิพพานนะครับนิโรธคือดับทุกข์นั่นเองอันหนึ่งตันหานี้ใดนะครับที่เรียกว่าวานะตันหาเนี่ยเรียกว่าวานะนะครับเพราะตั้งวิเคราะห์ว่านำไปคือเย็บพบเข้ากับพบเย็บกรรมเข้ากับผล นะตัณหาเนี่ยมันเหมือนเครื่องเย็บไว้นะครับเย็บกรรมมาพบไว้กับกรรมมาพบย็บเอ่อเย็บรูปมาพบไว้กับรูปมาพบเย็บกรรมมาพบไว้กับรูปมาพบเย็บกรรมไว้กับผลของกรรมเนี่ยนะครับนี่เขาก็ทํากิจเย็บแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพาออกนะครับมาตัณหานี้คือวาณะนั้นไม่มีในธรรมชาตินี้เย็บไม่ถึงนะครับเย็บไม่ติดกันนี่ผ่าน่างั้นเถอะหรือเมื่อบรรลุถึงธรรมชาตินั้นแล้ววาณะนั้นไม่มีแก่พระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่า นิพพานนิพพานทีนี้ถ้าเลื่อมใสในนิพพานอย่างที่ว่าจะได้รับผลยังไงล่ะแม้ในคําว่าอคโควิปากโกโหตีนี้ควรทราบผลพิเศษของความเลื่อมใสในพระธรรมด้วยสา ม, มารถแห่งสุดตบทว่าชนเราได้เราหนึ่งถึงพระธรรมว่าเป็นที่ระลึกแล้วสิคือเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยนะชนเหล่านั้นจะไม่ไปอาบายภูมินะครับพวกเขาละร่างกายและ มนุษย์นี้แล้วก็จัดอย่างกายทิพให้บริบูรณ์เป็นต้นนะครับแล้วก็บอกว่าเพราะว่าปีติที่มีอยู่ในกายของผู้ที่กําหนดว่าธรรมโมธรรมโมเนี่ยนะครับเป็นสิ่งประเสริฐกว่าปีติของชาวชมพูทวีปแม้โดยกระสินช้างแสนเชือกม้าแสนตัวรถเทียมด้วยม้าแสนหนึ่งหญิงสาวผู้ตกแต่งด้วยแก้วมณีและแก้วกุลทนแสนคนย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่16อันจําแนกแล้ว16ครั้งคือเอา16อ น, นะครับชั้นแรกเอามาผ่าเป็น16ก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็เอาหนึ่งใน16มาพผาออก16ครั้งเลยครับยังไม่ถึงเซี่ยวนั้นเลยนะครับแห่งการย่างเท้าอันนั้นนะเพราะฉะนั้นธรรมโมเนี่ยประเสริฐจริงๆนะครับแม้กระนั้นพระหมหาโมฆลานะก็ยังกล่าวว่ากล่าวกับเท้าสกา ว, ว่าข้าแต่ท่านจอมเทพการถึงพระธรรมเป็นสารณะเป็นการดีแลข้าแต่ท่านจอมเทพเพราะเหตุแห่งการถึงพระธรรมเป็นสารณะแลคนบางจําพวกในโลกนี้ หลังจากตายแล้วเพราะกายแตกสลายไปจะเข้าถึงสุคติคือโลกสวรรค์อย่างนี้สัตว์เหล่านั้นจะประสบสิ่งอันเป็นทิพย์อย่างอื่นโดยฐานะสิบคืออายุทิพวรรณทิพความสุขยศอธิปไตยรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะอันเป็นทิพนะครับะน ะ, ะเมื่อเป็นเช่นนี้ความข้อนี้ความเลิศก็ชื่อว่ามาแล้วด้วยสา ม, มารถแห่งอสังคตธรรมนั้นทีนี้แม้อริยมรักล่ะ แม้ด้วยความสามารถแห่งอรยิยมรรคก็ได้เนื้อความเหมือนกันนะครับเพื่อแสดงถึงการออกไปแห่งสังฆตาธรรมทั้งหมดนะครับสมดังที่พระ อ, องค์ตรัสไว้ว่าดูความพิสูจทั้งหลายสังคตาธรรมทั้งหลายมีประมาณเท่าใดอรยิยมรรคมีองค์แปดเนี่ยนะครับบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังคตาธรรมเหล่านั้นนะครับและว่าอัดถังที่กรมมรรคเนี่ยนะครับประเสริฐที่สุดทําไมจึงประเสริฐล่ะเพราะเป็นประตูให้เข้าถึงอมาตะนะครับ เพราะว่าบรรดาสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเช่นยูกยาทั้งหลายเนี่ยนะเท่เขาประกอบพร้อมขึ้นแล้วมีราคานับว่าแผงมากนะครับเช่นยาบางอย่างนะครับถ้ารักษาโรคหายเนี่ยเข็มหนึ่งก็อาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งที่ประกอบขึ้นนั้นเนี่ยนะครับก็หายโรคชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่อริยมรักเนี่ยนะครับจะหายโรคคือกิเลสนะครับ เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นเนี่ยนะครับปรุงแต่งขึ้นเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐจริงๆนะครับอริยมรรคนับตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะจะต้องอาศัยปัจจัยมากนะครับจึงจะประกอบเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบเป็นสัมมาสังกัปปะวาจากรรมมันตาอาชีววาิยามัสติสมาธินะครับทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับอาศัยองค์ประกอบอาศัยปัจจัยค่อนข้างมากจริงๆเพราะผู้ที่ไม่ได้สะสมบุญมาจริงๆก็ไม่สา ม, มารถที่จะเข้าถึงอริยมรรคอันประเสริฐอันนี้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นผู้ที่เลื่อมใสในอริยมรรคเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าจะได้รับวิบากที่เลิศอย่างที่กล่าวไปแล้วทีนี้ถ้าสงล่ะครับสงสังคาวาคนาวาได้แก่หมู่หรือคณะในโลกท่านกล่าวคือชุมนุมชนมีประมาณเท่าไหร่บทว่าตถาคตะสาวกะสังโคได้แก่สงสาวกของพระตถาคตเจ้าผู้รวมกันคือเสมอกันด้วย อํานาจแห่งศีลและทิฏฐิกล่าวคือชุมนุมแห่งพระ arya บุคคลแปดจำพวกนะครับพระโสดาบันนี่นะครับจะมีศีลเท่ากับพระโสดาบันหมายความว่าโสดาปฏิมรคของอพระ arya บุคคลทุกประเภทจะมีเหมือนกันนะครับมีองค์เหมือนกันเอนะสกะทาคามีมรคอนาคามีมรคอรหัตตมรคหรือผลทั้งหลายก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือมีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันหมดเลยนะครับในขณะมรรคผลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้จึงเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิในระดับโลกุตระแต่ถ้าเป็นโลกิยะคารวาสกับบรรปะชิตก็แตกต่างกันไปแต่นี้กล่าวเฉพาะในส่วนที่เป็นโลกุตระนะครับจะไม่มีต่างความแตกต่างกันเลยเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันนะครับ บอกว่าเตสังอคมคหายติความว่าสงสาวกของพระธัฏฐาคตเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศคือประเสริฐสูงสุดได้แก่สูงสุดหมายคำ ว, ว่าล้ำเลิศด้วยคุณวิเศษมีศีลสมาธิตัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นของตนนะครับคือประกอบด้วยคุณธรรมมีความ ป, ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะคะท่านเหล่านี้ก็คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้ แปดรุษนะครับคือผู้ทีนนะ่ตั้งอยู่ในมรรคที่หนึ่งผลที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งนะครับเป็นจนถึงรู้กันแล้วนะครับว่าโสาธาปฏิมรกเป็นต้นนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียกว่าเอสาภควาโตสาวะกะสังโฆนะครับเป็นคู่แห่งบุรุษสคู่เหล่านี้โดยแยกกันเป็นบุรุษบุคคลแปดจำพวกนี้แหละชื่อว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นพระสงฆ์นะครับที่เป็นสงฆ์นะนะเป็นหมู่คณะเนี่ยนะครับ บทว่าอาหุไนโยเป็นต้นต่อไปสิ่งของชื่อว่าอาหุนะเพราะเขาพึงนํามาบูชาอธิบายว่าพึงนํามาจากที่ไกลแล้วถวายแด่ท่านทั้งหลายผู้มีศีลคํานี้เป็นชื่อของปัจจยัยศีนะครับคือหมายคือว่าใครอ่ะคู่ควรแก่ของฝากบ้างอนะครับคือเอาของไปฝากกันเนี่ยนะครับเช่นจะไปที่ไหนก็จะหาข้าของไปฝากกันหาของที่ดีที่สุดเนี่ยนะไปฝากกันเนี่ยนะ ใครล่ะครับเป็นผู้ควรของฝากขนาดนี้บอกว่าพระสงฆ์ชื่อว่าเป็นผู้ควรรับของที่เขาพึงนํามาบูชาเพราะทําให้เป็นทานเนี่ยมีผลมากเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอาหุนยะนะครับเพราะว่าของฝากนั้นนะครับหรือของที่เขาเอามาบูชาเนี่ยนะจะมีผลมากจริงๆเนี่ยถ้าถวายกับพระสงฆ์คู่ผู้ที่มีคุณสมบัติคือคู่แหง่งบุุษสี่คู่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับ อีกอย่างหนึ่งสมบัติทั้งมวลที่เขาพึงนํามาแม้แต่ที่ไกลบูชาไว้ในไฟคืออาหุณะนี้หรือไฟคืออวหณนะควรแก่สการะเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอาวหนิยะไฟของพราหมณ์ทั้งหลายนี้ใดชื่อว่าอาวหนิยะอนะอ่ะนะอาหวนิยะนะครับเป็นเหตุให้พราหมณ์เหล่านั้นมีละทิว่ายันที่บูชาแล้วมีผลมาก ถ้าหากไฟนั้นชื่อว่าอาหะวณียะเพราะภาวะที่บูชาแล้วมีผลมากพระสงฆ์นั้นน่ะชื่อว่าอาหะวณียะเพราะยันที่บูชาแล้วในพระสงฆ์ก็มีผลมากดังที่พระองค์ตรัสว่าก็การบูชาของผู้บูชาท่านผู้อบรมตนแล้วผู้เดียวแม้เพียงครู่เดียวเท่านั้นก็ประเสริฐกว่าการบูชาของผู้บำเรอไฟในป่า เป็นเวลาร้อยปีการบูชาเป็นเวลาร้อยปีจะประเสริฐอะไรเล่านะครับนะถ้าหากว่าไปกราบไปไหว้ไปบูชาไฟเนี่ยโอ้ยบำรุงบำเรออยู่ในป่าเนี่ยร้อยปีไปกราบพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีครั้งเดียวได้ผลมากกว่านั้นนะครับนะ ค, ครับข้อกัดครับอย่างนี้เองเนี่ยเป็นเหตุให้ใหลายหลาค น, นหลายท่านนี่ก็พยายามผลกวายได้ยินข่าวว่า ที่ไหนมีพระอรหันต์มีพระเรียบบุคคลก็ขนฝายเพื่อจะพยายามไปทางฝั่งพระรูชาครับผมแต่จะจริงหรือไม่เนี่นะครับเพราะว่าผู้ที่ไปกราบไหว้เนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นพระญาติสาวกเองก็ยากนักที่จะรู้นะครับนะครับความเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญปฏิปันโนสมีจิปฏิปันโนเนี่ยนะครับทาไม่เข้าใจพระธรรมคําสอนก็ยากนักที่จะกราบไหว้ได้ถูกนะครับบางทีก็ใครจะไปรู้เบื้องหลังของใครนะครับ สมมุติว่าท่านไม่ได้เป็นพระอริยะเจ้าจริงๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนที่ไปหาเนี่ยด้วยความมั่นอกมั่นใจคือเขาตั้งใจมนสิการใจว่าเขาจะไปกราบไหว้พระอริยเจ้าตรงนี้เน่ะมันจะเป็นมันจะถูกไหมจะถูกตัวไหมคืออใจที่คันน้อมที่จะกราบไหว้แล้วลึกนึกถึงพระอริยเจ้าเนี่ยครับก็ต้องถามว่าความเป็นพระอริยเจ้าของเข า, าคืออะไรนะครับ ความเป็นอริยเจ้าของเข า, าคืออะไรถ้าว่าเขาเข้าใจว่าสุปฏิปันโนเนี่ยนะแค่ไหนอุชุยญาสยสามีจิตปฏิปันโนเนี่ยนะครับแค่ไหนด้วยการศึกษามาเป็นอย่างดีนะเวลาเขาให้ทานแม้แต่ให้กับสัมมนเนยน้อยๆนะครับที่บวชในวันนั้นก็ช่างเถอะแล้วน้อมลำลึกถึงผู้ที่มีคุณธรรมอย่างที่ว่าก็จะได้ผลมหาศาลแต่ถ้าหากว่าไปเข้าใจคนที่ไม่มีคุณธรรมว่ามีคุณธรรม เข้าใจผู้ที่ไม่เป็นพ า, หารหันว่าเป็นพ า, หารหันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าจะมีบุญแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีผลมากอะไรนะครับไม่น่าจะมีผลมากอะไรถ้าเทียบตามสูตรต่างๆนะครับสามารถดูได้นะในสามคำมาสูตรนะครับมัชชิมนิการมัชชิมปัญ น, นาสนะครับนะพอไปดูที่อื่นๆทเทียบเทียบแล้วก็ถ้าเข้าใจผิดนะ ไม่น่าจะมีผลมากอันนี้สงมากอะไรแต่ท่านจะเป็นหรือไม่เป็นนะถ้าจะให้ผมแนะนํานะผมคุกว่าให้ศึกษาสังฆคุณให้ดีกราบไหว้ใครก็ช่างเธอะแล้วตามลึกลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์นะครับอย่างที่ผู้การก็ว่าดีนะแนะนําว่าเห็นใครดูรูปงามๆหน่อยก็พยายามนึกถึงพระราหุลเข้าไว้ เ, ออเห็นใครเรียนเยอะๆก็นึกถึงพระอรนนท์เข้าไว้นะครับนึกถึงพระที่มีความแตกชานก็ให้ละลึกนึกถึงภาษารีบุตรเป็นต้นนะครับ เห็นพระที่ทรงจีวรส้มๆเก่าๆหน่อยก็ให้นึกถึงพระมหากัะสปะเป็นต้นนะครับก็ให้ระลึกแบบนี้เอานะครับ<อ>ต่อไปก็จะรักษาใจาได้องค์ที่เราเห็นแล้วเนี่ยนะครับอาจจะดีไม่จริงก็ได้มีคุณธรรมไม่จริงศรัทธาของเราก็ยังมั่นคงไม่ห ว, วั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคือผมนึกถึงบุคคลบางคนที่เขาระลึกนึกถึงคนของพระพุทธเจ้านะ เอาไปนํำเม็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นหินเป็นกรวดเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะเอามาเก็บไว้ด้วยก็คิดว่ามันเป็นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยฮะแล้วก็กราบไหว้บูชาแล้วเรื่องนึกถึกพุทธคุณเนี่ยเออผมว่ามันก็น่าจะเป็นกุศลก็เป็นครับเป็นก็อย่างเช่นเราไหว้เจดีย์เนี่ยเรานึกไหว้อะไรกันแน่ครับนึกไหว้คนของพพุทธเจ้าครับ แต่ท่านนึกอย่างนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะที่เรามองเห็นทางตาเนี่ยก็สีเท่านั้นแหะสีทองธรรมดานี่เองนะ ค, ะครับถ้าจะนึกไหว้สีทองธรรมดาก็ไม่ต้องไปไหว้ที่พระเจดีย์ที่นั่นที่นี่ก็ได้แต่ไหว้ในที่ต่างๆเนี่ยทำให้สามารถน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระ อ, องค์ง่ายๆน ะ, ค, ะครับครับโอกาศครับอย่างที่มีในเถระคาถาเนี่ยที่มีฤาษีเอาสายข้างๆชายหาดเนี่ยเอามาโกยๆแล้วก็ ทำเป็นจะดีกราบไหว้เนี่ก็ได้อา น, นิสงฆ์มากมายทีเดียวครับปัญหประเด็นสําคัญที่ว่าทราบซึ่งในคุณของพระ อ, องค์เท่าไหร่นะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าทําอะไรกราบหรือไหว้นะครับไม่ได้อยู่ที่กิริยาอาการนั้นๆเลยอยู่ที่ว่าทราบซึ่งในคุณแล้วทําด้วยความเลื่อมใสขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นไปที่ศรัทธาซึ่งทําจิตตชรูปมีการกราบการไหว้เป็นต้น น, น, นะครับเอาตรงนั้นเป็นหลักนะครับนั่นนะ ฤศออีองค์ตนนุตนนะตอนนะที่เอโศประโอดพูดเมื่อกี้เนี่ยเขาได้ศึกษาตําราที่พูดถึงลักษณะของมหาบุรุษนะครับหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็เขาน้อมแลลึกนึกถึงอย่างนั้นก็อย่างที่อาจารย์ว่าคือเขาศึกษาถึงความเป็นพระพุทธเจ้าว่ามันดียังไงนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงทราบซึ้งเวลาเขาไปกราบไหวบูชาพระเจดีย์ ครับก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรครับอย่างเช่นเราเห็นพระพุทธรูปที่เราก้มกราบกันเนี่ยนะปกติก็คือทองเหลืองธรรมดานี่เองนะครับแต่ามาล้อมกันเข้านะที่จะอย่างเพ่นพระพุทธรูปที่เป็นอิฐเป็นหินทั้งหลายแหล่นี้ก็ก็หินธรรมดานี่นะครับมาแกะสลักเอาเป็นต้นนะครับถ้าหากว่าไหายไปที่อิฐหินปูนทรายก็ก็ห่างไกลแต่ก็ยังดีกว่าไปกราบรูปของคนอื่นๆทั้งหลายเหล่นะครับแต่ว่า ศรัทธาที่จะดีหรือจะมั่นคงนั้นพยายามน้อมนึกไปที่คุณของพระองค์นะครับเพราะฉะในตรงนี้เนี่ยนะครับทิ้งไม่ได้เลยสุตตะนะครับสุตตะหรือความเป็นปภูมิสูตรนี่ยนะครับถ้ามีทรัพย์คือความเป็นปหูสูตรดีแล้วเนี่ยนะครับก็จะสา ม, มารถทําอย่างอื่นโดยที่ไม่มีความผิดพลาดเพราะว่าศึกษาหรือว่ากระทําด้วยความรู้ความเข้าใจที่ท่องแท้จริงๆนะครับนะครับต่อไปว่า อ่าอันนึ่งพระสงฆ์เนี่ยนะครับนั่นปรากฏแม้ในระหว่างพุทธันดรนหนึ่งนะครับไม่ด่า ด, ดื่นเท่านั้นนะคือในบรรดาแขกทําไมพระสงฆ์จึงจึงยกย่องเหลือเกินว่ามีคุณอย่างโน้นดีอย่างนี้ได้บุญมากเนี่ยนะเพราะว่ามีแต่ในสมัยที่เป็นเรียกว่าพุทธการเหมือนการนี้ก็เรียกว่าการพุทธการนะครับเพราะอะไรครับเพราะยังมีคําสอนของพระ อ, องค์อยู่ก็ถือว่าเป็นสมัยของพระ อ, องค์อยู่นะครับซึ่งไม่ด่า ด, ดื่นนะครับมันพระสงฆ์เนี่ยกว่าจะมีทีหนึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะครับหมายอวริยะสง น, นะ แต่ในที่นี้ความหมายของบทมีดังนี้พระสงฆ์ประกอบแล้วด้วยธรรมะทั้งหลายอันกระทำความเป็นผู้น่ารักน่าพอใจดังนั้นตามที่พรนธน า, นา ม, มานี้พระสงฆ์ยังชื่อว่าปาหุ น, นโยเพราะของต้อนรับควรจะถวายแก่ท่านและท่านควรรับของต้อนรับส่วนอาทาทิบายของอาจารย์ทั้งหลายที่มีบาลีว่าปาวหานิโยมีว่าเพราะเหตุที่พระสงฆ์เนี่ยควรซึ่ง การทําก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงชื่อว่าปาวหานิโยเพราะคนทั้งหลายควรนําของมาบูชาก่อนผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งพระสงฆ์ชื่อว่าปาวหานิโยเพราะควรซึ่งการบูชาโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้พระสงฆ์นี้นั้นพระองค์เรียกว่าปาหุไนโยโดยอถาธิบายนั้นนั่นแหละนะครับพระสงฆ์นี่นะครับชื่อว่าทักคินโยนะครับ มาจากคําว่าทักศินาเนี่ยนะครับเพราะควรซึ่งทานที่คนทั้งหลายเชื่อปะโลกแล้วถวายซึ่งทักศินานั้นคําว่าทักศินาเนี่ยน ะ, ะหมายถึงคนที่เชื่อโลกนี้โลกหน้าโลกอื่นเป็นต้นนะเขาให้ทานนะครับถามว่าผู้ที่คู่ควรแก่การทําบุญเพื่อโลกหน้าคือใครก็คือประสงน์นั่นแหละหรือผู้เกื้อกูลแก่ทักศินาเพราะให้ทักศิณานั้นหมดจดนะครับเรียกว่าทักศินาวิสุทธิ์ที่ฝ่ายผู้รับอนะโดยทําให้มีผลมากนะครับ อันระสงค์เนี่ยทำให้ของเหล่านั้นเนี่ยมีผลมหาศาลนะครับสํานวนอีกสํานวนหนึ่งบอกว่าทําบุญอุทิศให้เปรตได้นะครับคือคือเปรตไม่ระแวงใจเอ อ, อนุโมทนาได้ลงคอนะ้นเนื่องจากมีคุณธรรมนะครับแต่ถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมเนะี่เปรตอนุโมทนาไม่ลงนะครับบอกคนหัวโลนแย่งเอาไปกินมดนะครับพระสงค์นี้ชื่อว่าอัญชลีกรณียะนะครับเพราะควรซึ่งอัญชลีกรรมการไหว้ที่ชาวโลกทั้งหมดเนี่ยทำ โดยวางมือทั้งสองไว้บนศีรษะว่างั้นอนะ่ะยกมือท่วมหัวนะครับมันประสงค์เนี่ยคู่ควรกับการยกมือท่วมหัวเหมือนดอกบัวบูชาเทิดทูนนะครับบทว่าอนุตรังปูนยักษ์เทตัตงโลกาสะได้แก่เป็นสถานที่งอกงามแห่งบุญของสัตว์โลกทั้งมวลไม่มีสถานที่อื่นเหมือนอุ ป, ปมาเสมือนหนึ่งว่าสถานที่ที่ข้าวสาลีแดงหรือข้าวยะวะงงอกงามชาวโลกเรียกว่านาข้าวสาลีนาข้าว ยะวะฉันใดพระสงฆ์ก็ฉันนั้นเป็นสถานที่งอกงามแห่งบุญของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกเพราะว่าบุญทั้งหลายที่ให้ประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขแก่สัตว์โลกอาศัยพระสงฆ์แล้วจึงงอกงามขึ้นเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงชื่อว่าเป็นนาบุญของสัตว์โลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าในที่นี้ควรทราบการประกอบผลวิเศษของความเลื่อมใสในพระสงฆ์อนะว่าศรัทธาที่มีในพระสงฆ์จจะมีผลอย่างไรว่า ชนเหล่าได้เหล่าหนึ่งถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเนี่ยนะครับชนเหล่านั้นก็จะไม่ไปอบายภูมินะครับก็เหมือนอ น, นิสงส์ที่นับถือในพระพุทธเจ้านั่นแหละครับนะด้วยพระพุทธพจน์นั้นพึงทราบความที่เลื่อมใสในของล้าเลิศและความที่ความเลื่อมใส น, นั้นอ่ะมีผลล้าเลิศอันหนึ่งพึงทราบความที่ความเลื่อมใสมีผลเลิศด้วยสา ม, มารถแห่งการให้สําเร็จผลอันโอฬานเมียที่อย่างนี้ว่า การตัดวัตทุกข์เริ่มต้นแต่การเกิดในภพที่เจ็ดเป็นต้นเพราะได้เฉพาะซึ่งการเห็นอันยอดเยี่ยมเป็นเหตุแห่งการบรรลุความสุขที่ยอดเยี่ยมนะผู้ที่มีศรธรรมมั่นคงเลื่อมใสจริงๆก็ต้องระดับพระโสดาบันนะครับแต่ว่าของเราก็ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาบันก็นแล้วกันบทว่าอัคโตความว่าผู้เลื่อมใสแล้วในพระตัตนะตรายอันล้ําเลิศโดยความเป็นของเลิศนั่นเองบทว่าอักขังทำมังความว่า รู้อยู่คือทราบอยู่ซึ่งสภาวะที่ล้าเลิศคือความที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ดีแล้วความที่พระธรรมเป็นธรรมดีความที่พระสงค์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วได้แก่สภาพที่สูงสุดของพระัตนตรัยที่ไม่ทั่วไปแก่สิ่งอื่นหรือสภาพของคุณความดีมีทศพลยานเป็นต้นของพระพุทธเจ้า ความเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วของพระธรรมและความเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นแห่งพระสงฆ์นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแสดงพระรัตนตรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมสายอันเลิศโดยทั่วไปอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงพระรัตนตรัยนั้นโดยไม่ทั่วไปด้วยการจําแนกออกไปจึงได้ตรัสคาเป็นต้นว่าอักเคพุทเเทเป็นต้นนะครับ บทว่าประสันนานางความว่าเลื่อมใสแล้วคือน้อมใจเชื่อแล้วด้วยความเลื่อมใสที่ตั้งมั่นแล้วและโดยด้วยความเลื่อมใสนอกจากนี้บทว่าวิราคูปะสะเมความว่าที่คลายกำหนัดที่สงบนะนะหมายถึงพระนิพพานะนะอธิบายว่าที่เป็นเหตุคลายกำหนัดล่วงส่วนแห่งราคะทั้งหมด และที่สงบล่วงส่วนแห่งกิเลสทั้งมวลเพราะนิพพานนะครับจึงจะล่วงทุกทั้งหมดล่วงกิเลสทั้งมวลได้สุเค น, นะครับความว่าที่ชื่อว่าเป็นสุขเพราะพระธรรมนั้นเป็นเหตุสิ้นวัตถุทุกเพราะพระธรรมเป็นเหตุแห่งความสุขเพราะระงับสังขารทั้งหลายนะครับอักขสมัมมิงทานังทตตังอักขังปุญญปวัตติอักขังอายุจวันโนจะนะแต่ครัที่เราสวดกันนะครับ การให้ทานอยู่ซึ่งบริจาคทายธรรมในพรตนะ ต, นตรัยที่ล้ำเลิศบรรดารัตนาทั้งสาเหล่านั้นเหล่าชนเมื่อบำรุงคือบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ยังทรงดำรงพระชนอยู่ด้วยปัจจัยสและบำรุงคือบูชาได้แก่สักการะพระธาตุเจดีย์เป็นต้นอุทิศพระผู้มีพระภาคนะอุทิศพระองค์นะครับผู้เสด็จปรินิ พ, พานแล้วชื่อว่าถวายทานในพระพุทธเจ้า บทว่าทำมังปูเฉสามะความว่าชนเหล่าใดอุปถากคือบูชาได้แก่สการะอยู่ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ทรงธรรมด้วยปัจจัยสี่และเมื่อสร้างพระธรรมไว้ให้ดำรงอยู่ตลอดการลนานชื่อว่าให้ทานในพระธรรมวิธีให้ทานในพระธรรมก็คือบูชาผู้ทรงธรรมนะครับด้วยปัจจัยสี่หรือไม่ก็สร้างพระธรรมให้ดำรงอยู่นานเช่น อ่นะนะพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นต้นนะครับแต่ว่านังสือทั่วทไปก็ต้องระวังหน่อยนะครับบางทีก็สัพท์ธรรมปฏิรูปก็อยู่ใกล้ๆพระธรรมนั่นแหละเมื่ออุปถาคือบูชาได้แก่สาการะพระริยสงอย่างนั้นด้วยปัจจัย4ี่และปฏิบัติอย่างนั้นแม้ในพิสูุนนอกจากนี้นะคือให้ทานในภิสูจนทั่วไปแล้วอุทิศพระริยสงนั้นชื่อว่าถวายทานในพระสงฆ์นะครับ บอกว่าอักขังปุญญปวัตติความว่าเมื่อชนทั้งหลายมีใจเลื่อมใสในพระัตนมตรายอย่างนี้ย่มอมยังการบริจาคอย่างโอฬานและการบูชาสการะอย่างโอฬานให้เป็นไปเป็นอันกอ่อสร้างกุศลที่ล้ำเลิศคือโอฬานทุกๆวันนะครับถ้าเจริญได้อย่างนี้บ่อยก็ โ, โหสร้างมหากุศลอันโอฬานนะครับอย่างยิ่งใหญ่บ่อยๆบัดนี้เพื่อจะแสดงความที่บุญนั้นเป็นของล้ำเลิศเพราะมีผลเลิศจึงตรัส คำเมียที่ว่าอักคังอายุนะครับคือให้ผลจะได้อายุจะเจริญด้วยอายุนะครับแล้วก็เจริญด้วยวันนะเจริญด้วยยศกิติคือเสียงสดุดีกึกกล้องทั้งความสุข